ควา ม, มลำบากความทุกข์ความทรมานของของจิตของใจของพวกเรามันบังคับไปรักก็เป็นทุกข์สามก็เป็นทุกข์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 อันประเสริฐห้ามได้อยู่ห้ามพระพุทธเจ้าห้ามยาติ ท, ทางทุชาทุทางเดินไปมองตาขึ้นไปเพวกเราเป็นญาติได้รับบุญรับกุศลกระแสบุญกระแสกุศลดึงมาถึงปัจจุบันนี้ทั้งสองพันกว่าปีเลยซึ่งเราก็สะได้เกิดจึงมองอินเดียเราก็จะได้ไปเดอืมแต่ว่าไม่นานมันก็ลมพัดถลายไปไปนำลมหายม่องไม่เห็นตัวงดวงวิญญาณ ต, ตัวนี้มองไม่เห็น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 บ้านเมืองโลกภายนอกนี่ยโลกภายนอกก็อยู่กันแต่ว่าเพื่อนว่ากิเลสมันเจริญเจริญจนจนจะมองไม่เห็นกันอย่างเจรินกิตลสเจรินในธรรมพื่อนว่าธรรมเจริญมันให้มาหากันวันนี้ก็ได้มา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 เอาบาเพ็ญกุศลมามาดูแล ร, รักษาเพรแม่หลวงปู่ ม, มา่านกุณฑิตป่าหลวงพงภัยลึกๆถึงสอบเพราะนั้นมาเงียบคือพวกเราวันนี้เลยอย่างนี้คือเงียบนั่งสมาธิคข้าพเจ้าฟังเทศฟังธรรมลงไปนี่อย่าให้หลมอย่าให้ไปลืมจาร์ลืมพบอฟังเทศมาฟังหลวงปู่ม่านไม่มีเสียงอะไรเงียบเป็นขั้นๆไปอันนี้เราจะา่าหลวงปู่จะมาเห็นดูในอืม มูลิตาทีโอที จำกัดมหาสชนเราเนี่ยมาเห็นเทพบุตรเวดามาเห็นทั้งทางทั้งหลายเงียบสงบจะได้เดินทางตามสายบุญตามสะพานบุญตามถนนบุญให้มันหลีบให้มันตกถนนมันตกถนนนหลงไหลไปตามความคืบเราเนี่ยอารมณ์มันปุ้งแต่งปุ้งจันทร์ไปหากรรมเพราะว่ามันมันมีกรรมเร้วอยู่ในตัวเรามันก็ดึงดูดไป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 ไปล้วแต่เฉพาะเรานี่ตกข้างอยู่บันนี้ตกข้างอยู่ก็ไม่ขาดทุนเพราะว่าได้มาไดมาพบของจริงคือพ่อแม่ปรเทศจูตลอดโรคภัยแค่เกียวคือมิตฉากรรมทั้งนั้นทงคนก็อยู่กับพระนะฟังมันทานชะมายสุดเลยคือของโยมอะโทรศัพท์ฟังเทศหลวงตาโรคภัยหายโรกอันหรัยมันเลยรอยไม่มีห้ารอยไม่มีสาม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 เข้าใจ <PTSD> เข้าใจในการเดินทางต่อไปแต่นีขึ้นมาหลังหนึ่งพระพุทนล่องให้หลวงตาบัวให้ต่าลาเมตตาให้ให้ลูกหลานอสรบถุงเงินบ้านเมืองบุญไม่รู้เรื่องกันมันจะเป็นเพื่อนเป็นไฟใช่ไหมทั้งทลายไปหมดเพราะว่ามันเราอยู่กับอะไรนัอยู Remove, Allez, ่กับน้ำก็เป็นอีกตัวหนึ่งตัวมันอันตรายก็คือไฟนี่เลยมันช็อตเราปุ๊บตายเลย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 กัฝนตกฟ้าร้องลงมาคือการฟ้า้อฝนบางคนก็เป็นไข้เป็นหนาวตายแ พ, แพ้กันแพ้มันคู่กรรมกันมาบางคนก็แพ้มแมลงแพ้เดดอะไรบางมีเพิ่มเติมไปเกิดเพราะว่าเวลากรรมมันมามาให้เราพิจารณามาให้เรากลัวถึงหม้ว่าเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นนิดๆหน่อยๆเราก็รีบํำเพ็ญกุศลสร่างใจ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 สังขา บ, บัวมาเจียบมาเมตตาไว้ให้ลูกหลานดูแลรักษาลอยมือลอยเท้าแนะนำสั่งสอนกันไปใ่้จับมืออย่าให้หลุดอย่าให้หวางก็ฝ่าพาะคุลาภัพเห็นแล้ก็เจริญสวยงามในดวงจิตดวงใจคารวะนเรื่องสูงของพึน้นหลวงพอระพุทธเจ้าคารวะพระมครูบาอาจารย์หลวงปู่ม่นหลวงปู่สาวเรา พ่อแม่เราตาบัวเรวาเป็นพระนิพพานสมบัติท่าสมบัติพ่อแม่ปุญา ต, ตายายปันมูลให้สมบัติเลี้ยงทานเลียงขันก็พักการสวดเชิอบ่ยวันบนับนนี้ส ม, มบัติภายในบันนี้ก็คือฟังเทศฟังธรรม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 อาปรจิตอาเอจิตประจิตกับอย่างอื่นให้ติดกับพุโทโธอรหังอรหังพุโทโธทรับสมบัติที่จะมาโนูนใจให้เราน่อยมานูนใจเป็นบันลังเป็ น, ป น, ปนรถทิพย์ใเลื่อนไปสู่มุโรมสุขท่านทั้งหลาย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 สำคัญอะไรเราไม่จะเกิดอีกเลาขีดลาบแล้วมันจะเกิดเราจะย้อนพบย้อนชาติเข้ามาใกล้ๆน้องชาวาวาดัดคือพวกเรานีนบางทีเจ็ดชาติอาจจะได้หลุดพ้นไปบ า, า, า, า, างทีบางทีก็สี่ชาติสามชาติสองชาติท้ามาชาติปัจจุบันแล้วก็อยากให้มันอืดีพึงไปมพนก็ฝึกหาดขาดเก่าไปเพิ่มมาได้ถ้าเราไปยึดพระแม่มครูบาอาจารย์ไว้รักษาสิ้นห้าสิ้นแปด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 ก็ไม่เป็นอย่างก็ไม่เป็นเหมือนเดิมอีกอันนี้ธรรมะตัดะธรรมะมามห้ามธรรมะมาแ ม, ม่ตามาสอนเหื่อ ว, ว่าตัดกรรมตัดเวรคือการกระทำคือการเสียสละคือการรักษาสินพระพุทธเจ้าให้สบายใจอืเขาแม่สอนให้หมอบให้กลับจะรุดมาจากอืมันยังมาละเอียดมากก็ไม่สมบูรณเหมือนเพื่อนก็กรมรมเระส่จบแจงให้เป็นวันนี้แม่ทําบุญให้แม่พระกลับ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 ต้องตายเพหัวมันมันประมาท ม, มันมันลึกหมดนะเส้นเอมเส้นบุญเส้นกุศลเส้นเช่นเส้นธรรมมันพังเทลายหมดคือมันไปผิดทางนั่นหลยมันไปกินของผิดไปกินของผิดไปกินตรรมไปพบกรรมเออไปพบกรรมคือเราเห็นอยู่ทุกวันนี่เลยค่าพ่อค่าแม่ค่าซีสีผ้าค่าเจ้าเอาของว่าใครเป็นใครเออควาเมตตาเออเก่ยกันด้วยกัน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 สร้างเรือนสางที่บนโรลภัยพระภาวนาบจอดเข้าม่คนที่นั่งก็ดีนอนกะดี้ทิวดามาเทพมาม า, มาดุนบรรดาสัตว์สินให้สบายใจเลยแล้วก็วบอกคือบอกงอกบอกมูกบอกเพื่อนทําอย่างนั้นทําอย่างนั้นมาเสือบตายอดทนตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนมีสาระโภษนาเอาเงมนเดียวเป็นวัดมันสมบูรณ์แล้วร่องบวงทัพมันหิวขึ้นนะข้ อ, อนนี้แหละพาเกิดตัวนี้หละ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 ขันสีขันห้า 4, 5, แม่เอาหน่วยอร่ำใหก็ 5, ก็มาโชคแล้วบางรายก็เห็นโน่นเห็นนี่คือคุณว่ามีมัดอยู่ในขันห้าแล้วนี่แตะพาเป็นนอนหลับไปบางทีก็ฝันไปสี่สูงห้าไป้ามันชิว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 เราเผลอไปก็ไรต้องเปิ่มเอาผมแปลว่าพอท่านไม่เผลอไปนี้พ่ท่านก็ต่อวุ่นไปอยู่อย่างนี้เลยไม่ถอยไม่เผลอคือทํางานทําการก็มีสติทุ่งแบบไม่ให้ไปติดไปยึดหารกินเรื่องปาเ ก, กเรื่องท้องเพล่วก็ได้มาัากินมาทานต่อกันไปฝากฟังไว้ในศาสนาเพื่อเราจะได้มาก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 เอากิเลสกับจิตมาสัมผ like like no. no. like no. no. so ัสก no. ันถ้าเป็นกิเลสไปหมดแล้วไม่มีพวกเรามานั่งอยู่นี่เลยอืมเป็นอะไรก็ไปโตวาทีกันมันจะก่อความไม่เจริญคือจะพากันตายห้อมกันหมดการทำมันเป็นขึ้นมันจะอย่างนั้นในโลกอนี้ในโลกวุ้นโลกวายโลกมันเทศทิมานะโลกกรรมโลกเวรทั้ว่ามีห้ามสายมาซาล่างจิตใจเราอืมล่างชัปโฟกออกอจากธาตจากขันธ์วิรามันดา